ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทำจากมหาวิจัยศีปบุมในวันนี้คงพูดเรื่องพระสูตรในอุทานเช่นเคยวันก่อนได้พูดมาในพระสูตรที่เรียกว่าปฐมนิพพานสูตรคือนิพพานสูตรสูตรสูตรแรกหรือสูตรที่หนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นทุทิยะนิพพานสูตรคือประสูตรที่ว่าโดยนิพพานสูตรที่สองนิพพานเป็นธรรมะระดับอุดมการเป็นประมาทประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเมื่อ เราดำเนินชีวิตไปตามกระแสของกุศลไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นระดับศีลระดับธรรมะระดับสมาธิหรือระดับปัญญาก็ตามมันก็ชื่อว่าเดินไปบนเส้นทางสู่พระนิพพานแต่ส่วนจะเดินไปได้ไกลได้ใก ล, กล้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าธรรมะที่เป็นกุศลส่วนเหตุทั้งหมด สรุปรมลงที่อริมัสมีองค์แประการแล้วก็อรีมัสมองค์แประการนั่นแหละก็เป็นทางที่จะนําคนไปสู่ขนระดับต่างๆหรือถ้าเราแยกก็เป็น3ามประเภทเนะคือจะเห็นว่ามันก็แสดงประโยชน์3ระดับสมาวิจาสมาคตมันตะสมาชีวะ เป็นส่วนของศีละสิขาเป็นการแสดงทางแห่งมนุษยสมบัติแล้วก็สวรรคสมบัติพอมาถึงสัมมาวามะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นทางดำเนินไปสู่พรมพรมโลกก็ที่จริงก็อยู่ในกลุ่มสวรรคสมบัติเหมือนกัน แล้วก็พอสมบูรณ์หมดเนี่ยมันก็กลายเป็นนิพพานสมบัติแต่ว่า ก, การเข้าสู่กระแสปณิพาน์ที่จริงไม่ต้องสมบูรณ์ทั้งหมดมันเพียงแต่ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาประมาณก็เข้าสู่กระแสปณิพานแล้วที่เป็นประสบธบรมแล้วพอมาถึงระดับพระนาคามกีก็เรียกว่าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณก็เป็นพระนาคามีแล้ว พอสมบูรณ์หมดก็เป็นรทหารแล้วแสดงเห็นว่าการดำเนินไปบนเส้นทางแห่งกุศลทุกระดับมันก็อยู่ในเส้นทางที่จะนำคนไปสู่มรรคผลใผ่านแล้วก็อาจจะไกลนะฮะโดยตัวไปก็ไกลเราจึงมาพูดว่า เมือมักผลนิพพานในนาคตการเบิกนา น, นถุถนือนเวลาทำบำเพ็ญกุศลทั้งหลายเนี่ยแต่สมัยโบราณเนี่ยท่านมักจะพูดในแนวนั้นม ใ, ในปัจจุบันก็มักจะพูดในแนวนี้ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะเวลาส่งแสดงนิพพานโดยประยายต่างๆที่ทงใช้นิพพานล้วนๆก็มี คือพระพุทธพระธรรมคุณนะฮะพระธรรมคุณสีบทเนี่ยยกเว้นสวากาโตกับสันทิติโกไม่ใช่กับอากาลิโก้ก็สันติติกล า, างนิพพานังนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นๆแล้วก็บางทีก็อาตาริโก้นิพพานังนิพพ า, า, า, านที่ไม่ขึ้นอยู่กับการ ไอ้ปัจิกังนิปานังนิมานิพานที่พึง่งชวนชวนจะชวนให้มาดูมาชมหมายความว่าเราดับกิเลสได้สักขนาดหนึ่งก็เป็นนิพานนอนๆเรียกโดยทั่วไปจะเรียกว่าประพังกันนิพานแปล ว, ว่าดับกิเลสโดยองค์ น, นั้นๆจะนเกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็แผ่ไม่ตาไป ระดับโทสะได้ก็ถือว่าในขณะนั้นก็เป็นนิพพานระดับอ่อนๆแล้วก็ฝึกจิตไปเรื่อยๆแล้วยๆก็ชิมลิ้มรสของนิพพานไปเรื่อยๆแล้วคนเราพอได้ลิมรสได้สัมผัสรสเนี่ยรสของธรรมชื่อชีวะชนะรสทั้งปวงฉันเท้าอุตสาหะก็จะเพิ่มขึ้นไปเองโดยลําดับอย่างน้อยก็ระดับศีล ถ้าขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็ระดับธรรมะก็ไม่ถึงระสมาธิแต่เรียกว่าระดับธรรมะธรรมะปฏิบัติเช่นว่าเราอยู่้วยพรหมิหารในชีวิตประจำวันเวลาสัมผัสกับบุคคลก็ปรับจิตให้อยู่ในพรหมิหารตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้นอมโดยมีเมตตาเป็นฐานในขณะที่เรามีเมตตาอยู่เนี่ยโทสะ ก, ก็สงบราคะก็สงบ แล้เราเจนว่าโลภะก็สงบนะสำหรับคนที่เราไม่ตา้เนี่ยโมหะก็สงบลงไปความอดทนก็เพิ่มขึ้นการให้อภัยก็เพิ่มขึ้นความเข้าใจความเห็นใจความพร้อมที่จะรอคอยก็เกิดขึ้นคุณสนธรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นตามมาอีกเป็นมากเพราะเมื่อเรามองนิยตต่างๆที่กล่าวไว้ในวันก่อน เราเห็นว่าเนื้อดับหนึ่งเราก็สัมผัสได้คือลิ้มสิ้ได้ถ้าพยายามปฏิบัติให้ลึกซึ้งขึ้นไปผลมันก็สูงขึ้นไปตามลำดับในประศุทนี้มีข้อความเบื้องต้นน่ทนองเดียวกับตัวศุนที่แล้วเพราะว่าวุฒเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันในกรุงสาวัตถีใกล้พระนครสาวัตถี แล้วก็ทรงชี้แจงในภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานในอาจฐานในรา่าเริงนี่เป็นสูตรเลยนะฮะเห็นแจ้งให้สมาทานในอาถานในรา่าเริงซึ่งจิตของคนจะเดินได้อย่างนี้ให้สมาทานในอาถานในรา่าเริงให้เห็นแจ้งให้สมาทานในอาถานในรา่าเริงหมายความเห็นแจ้งเนี่ยมันปัญญามันเกิดขึ้น สมาทานก็คือนำไปประพฤติปฏิบัติพ้านองสมาทานศีลนะ่ะคือประพฤติปฏิบัติมล้วก็เชื่อมันในตัวเองก็อ่านหานเห็นธรรมะภายในจิตเห็นจิตมีธรรมะเห็นความสงบเห็นความสุขเห็นความปีติเห็นความประมดเออจะมากหรือน้อยก็ตามจิตใจมันก็จะร่าเริงเพราบางครั้งเราจึงได้ยินว่ามีปีติมีปรโมด ทีสมอนาจมีอะไรแต่ไรต่างๆเขาส ร, สรุปว่าจิตใจได้จางคลายไปจากอำนาจของกิเลสในระดับหนึ่งแล้วก็ท่นบอกว่าด้วยธรรมิกาถาอันปฏิสังยุปเป็นนิพพานก็พิสูจน์เหล่านั้นกระทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมิกาถาด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรม นี่ก็เป็นกระบวนการการฟังธรรมนะฮะคือตามปกติแล้วการฟังธรรมะจะต้องมีความใส่ใจมีความสนใจมีความตั้งใจแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วถ้ามีความระทับใจในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะเกิดปีติปรมโมทขึ้นมาในขณะนั้นสภาในศาสนาก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจ เหตุการเหล่านี้ไม่ว่าเราจะฟังใครที่ไหนเมื่อไหรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการแสดงธรรมะที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักของความเป็นจริงเรื่องหลักของความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างจะหรือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก่อนที่มีข่าวที่เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนรัษดรก็ปรากฏว่ามีความคิดที่แปลก หรือถ่าประธานท่านก็ปฏิบัติไปตามกฎไปตามระเบียบตามอำ น, นาจหน้าที่ของท่านในควาเหนื่นกลับเรียกร้องให้ฟังเสียงของประชาชนให้ดูความรู้สึกของประชาชนแล้วอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรอ่ะที่จะทำให้คนชอบหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีใครที่ชอบ หมดแม้แต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ว่าคนไม่ถูกมิทานไม่มีในโลกอ่ะแต่ว่าถ้าเราเคารพ ก, กดเกณฑ์เราอยู่กับกฎเกณฑ์เนี่ยคือถ้าจะเลิกมันก็ต้องเลิกกดเกณฑ์ตรงนั้นก่อนถ้าไม่ทําเนี่ยต้องเลิกกดเกณฑ์ตรงนั้นแต่ถ้ากดเกณฑ์ยังมีอยู่มันก็ต้องปฏิบัตไปทนัน้น ถ้าเป็นงนั้นโลกจะไม่มีทิศทางเลยสังคมจะไม่มีทิศทางคล้ายก็ได้มีข่าวตำรวจจับเด็กก็ซึ่งแน่นอนแหละคือจับในฐานะขโมยคือมีคนกล่าวหาว่าขโม ย, ลโมยแล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจต้องทาหน้าที่ของเขาแล้วก็สารวัตรเขาก็พูดดีนะฮะบอกว่าถ้าจะไม่ให้จับมันก็ต้องเลิกกฎหมายก่อน ถ้างันเขาก็กลายเป็นคนละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็จะกลายเป็นคนผิดแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้ด้วยนะเพราทำยังไงว่าสังคมจะเคารพ ก, กฎเกณฑ์ที่เราพูดถึงว่าอย่าใช้ความถูกใจแต่เอาความถูกต้องความถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันเป็นความถูกต้องมาเป็นสากล ก็แน่นอนถ้าหากว่าเขาตําหนิเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าตําหนิถูกต้องไหมการกระทําก็เราควรแก่การตาหนิไหมถ้าควรในการตาหนิก็ถือว่าถูกต้องก็ต้องทําใจใอยอมรับความจริงเพราะหลักการธรรมะเราเนี้ยที่จริงมันเป็นเรื่องของความถูกต้องถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะนั้นสภาพของธรรมะเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของใครก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างนี้น คือท่านจะสัมผัสได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระอหรหันต์พระปฏิเจ้าหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเพราะในที่นี้ก็ทรงเปล่งพระพุทธอุทานถ้ากล่าวโดยดิฉันหาสาระมันก็สอบครองกับที่กล่าวไว้ในปัจจุรณนแต่ว่าถือว่าเป็นปริยาอีกปริยาหนึ่ง กำมันความผู้ฟังเปลี่ยนแปลงการจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนิพพานแล้วก็ดูวุติุภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นนั้นรับสังว่าฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อวานน่านิพพานตรงนี้สงสยัยคำว่าฐานะนะฮะวันก่อนสงสยัยคำว่าอายตนะประศุตรก่อนในสงสยัยคำว่าอายตนะ ผลทั้งฐานะทั้งอาญตนะและทั้งสภาวะทั้งอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่สมมติเพื่อสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนิพานนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากไอ้สิ่งอีกะสิ่งน้้ยอีกแหละคือว่าคนสมมติอีกแต่ถ้าเราไม่มีการสมมุติคําขึ้นมาสักคำหนึ่งมันก็สื่อสารกันไม่ได้เพราะแม้แต่คําว่านิพานมันก็สมมุติขึ้น เรเรียกสภาพจิตที่ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์เราจะ บ, บัญญัติชื่ อ, อยังไงก็ได้แล้วสื่อสารแล้วก็คนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละคือจิตของบุคคลผู้นั้นไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์มีความสุขมีความสงบเป็นความเยือกเย็นภาษาเลยใช้ได้เยอะเลยอยันที่บอกว่า คือถ้าเรานับให้หมดเนี่ยยังคิดว่าประมาณสามร้อยข้อนี่มีแต่ยังไม่ได้รวบรวมทั้งหมดนะเราที่นึกๆเอาว่าจากพระสูตรต่างๆจากภาษาที่ส่งสื่อสารต่างๆล้วก็อาจจะมีถึงสามร้อยสื่อแต่ว่าเป็นการสะท้อนถึงปัญญาไปสู่กรุณาดังกล่าว แล้วก็ทรงขยายนะฮะทรงขยายว่าที่ทรงใช้คนว่าฐานะเนี่ยฐานะนิพพานเห็นได้ยากเนี่ยเพราะในความเป็นนิพพานเนี่ยไม่มีตัณหาถ้ามีตัณหาก็แสดงว่าไม่ใช่นิพพานคนทีเป็นนิพพานก็ต้องไม่มีตัณหา เพราตัณหาการ น, นิพพานจึงไม่มีลักษณะร่วมเมื่อไรพระ น, นิพพานเป็นนิโรธสัตตนาเป็นสมุทยัยสัตตนาเป็นเหตุแห่งภพนิพพานเป็นสุขคือเป็นผลที่มาจากมรรคแล้วก็ผลที่มาจากการดับตัณหาตอนพอหนิพพานเกิดตัณหาก็ดับทีนี้ประเด็นต้องถันว่าตัณหานี้เองเราก็ สามารถที่จะควบคุมได้สามารถจะบรรเทาได้สามารถจะสงบได้แล้วก็บางกรณี ก, ก็สามารถละได้วถ้าเราถามตัำหามันเกิดจากไหนมันมีเชื้ออยู่ข้างในแน่นอนคือมีธาตุมีกามธาตุมีอธรรมธาตุผู้รุมรวมอธรรมธาตุมันอยู่ข้างในจิตเรา แต่ตัณหามันเกิดทางการรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโผฏฐพะทางธรรมารมเกิดทางวิญญาณหกเกิดทางสัมผัสหกเกิดทางตัณหาหกเกิดทางวิตกหกวิจารหกมันเกิดได้แย่นะเพราะฉะนั้น เราก็ดับให้ลองสังเกตว่าอารมณ์ที่เราสัมผัสเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเยอะมากถามว่ามันเกิดตัญหาทุกเรื่องไหมก็ไม่เกิดแล้วลส่วนใหญ่ถ้าเราคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะรู้สึกเฉยๆนีม่มากกว่าเรียกว่ารู้สึกไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเพราะถ้าเราเอาตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ที่มันออกมาเป็นเวทนา เราถามใจตัวเองว่าในวันหนึ่งมันหนึ่งนี่เราสุขทุกข์ทุกข ก, กมสุขอะไรมากกว่าในระดับของเวทนานะคือเราจะเห็นว่าเป็นเป็นอทุกขกรรมสุขนี่คือกลางๆนี่จะมากและแน่นอนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนคนบางอย่างอาจจะทุกขมากคนบางอย่างสุขอาจจะมากแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย จะมีลักษณะเฉยๆไม่มากคืออทุกขมาสุดไี่มากเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่เราไม่ใส่ใจเนี่ยจะมีเยอะเพราะถ้าเราใส่ใจหมดมันก็แย่เหมือ น, นกันเมื่อเลือกใส่ใจเฉพาะบางอารมณ์แต่ล้อน่าท่านถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ตัดกระแสใ น, ในตอนตอน้นนะแต่ถ้าใส่ใจไว้ใส่ใจด้วยสติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลที่สัชนช้กล่าวว่า ใส่ใจยังไงก็ตามที่กิเลสซึ่งยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะบรรเทาเ บ, บาบงลงไปเนี่ยมันก็สามารถใส่ใจได้หรือว่าใส่ใจยังไงธรรมะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้ น, นแล้่อก็ใส่ใจไม่ได้ไปเสร็จการใส่ใจเัืงขึ้นอยู่กับวิธีการในการใส่ใจจนขนาด ที่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันในแต่ละขณะรู้เท่าทันความจริงในแต่ละขณะการรู้เท่าทันความจริงมันเป็นอาการของปัญญาผมว่าเพราะฉนั้นเมื่อปัญญาเกิดโมหะเขาก็ต้องดับโลภะก็ต้องดับโทสะก็ต้องดับยิตงมันก็ไปอยู่ในกระแสะของกุศลแล้วแต่ว่าจะอยู่ในระดับใด การมตัญหามีเป็นนันมากที่เราบรรเทาได้แล้วทำยังไงว่าแล้วบางเรื่องก็แรงแรงเกินไปเราก็นึกถึงข่าวๆราบังข่าวที่ฟังทังสื่อต่างๆหรืออ่านหนังสือต่างๆฟังแล้วก็สรุปวาเอ๊ะทำไมทำไมจิตใจถึงได้อย่างนั้น ยึบลอยให้ตัญหามันท่วมพับเพอาะท่วมพับแล้วมันจะเสียการส่งตัวอะไรก็ตามนะฮะที่ถูกท่วมพับเนี่ยเราจะหมดสภาพการช่วยตัวเองท่ว็เราก็แย่นะทับเราก็แย่ทีนี้ถ้าทั้งท่วมทั้งทับแล้วก็ไปไม่ไมรอดเลยมันจะถูกกระแสของตัญหาในี่นพัดผันไปแล้วก็วิ่งไล่ ตอบส น, นองความต้องการเขาตนไปเรื่อยๆเพราะฉะนันแต่เราบรรเทาตัณหาได้มันก็ถือว่าสงบได้ระดับนไม่ว่าจะเป็นการมาตัณหาภวะตัณหาหวิภวตัณหาก็ตามรัสังว่านิพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้เป็นปรมัติธรรมนะฮะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเป็น อ, อย่างเดีนโดยสภาว่าของนิพานเนี่ย มันอยู่นอกกรอบของไตรลักษณ์สองข้อคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนิพพานมันเที่ยงแล้วก็เป็นสุขแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะตามปกติแล้วสิ่งที่เที่ยงบางอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงนะเช่นว่าน้าแข็งเรามาวางไว้ในขณะนั้นก็แข็ง เสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงหรือว่าน้ําร้อนที่เราต้มใบเราเทใส่แก้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่เตาไฟยังอยู่กับ็ยังร้อนอยู่นิพานเนี่ยเป็นนิจยังเป็นสุขขังแล้วก็เป็นอนัตตาที่รสั่งวัานิพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้ไม่เห็นได้โดยง่ายพย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่เห็นได้โดยง่าย แต่ก่อนเนี่ยบอกใช้คําว่าเห็นได้ยากแล้วก็ย้าไม่เห็นว่าไม่เห็นได้โดยง่ายเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาที่บุคคลแทงตลอดแล้วหมายความว่าคนที่ทําลายตัณหาได้แล้วแทงตลอดบางครั้งก็เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเนี่ยแล้วก็ตัณหามันมาจากกวิชา ัญาาเป็นแสงสว่างวิชาเป็นมืดมันก็ดับาบางทงีเป็นชายคำมารู้แจ้งแทงตลอดเป็นลักษณะของญาณจึงเกิดผุดขึ้นจากการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันของอริยมรรคยงแปประการก็วิชาเกิดขึ้นเอนวิชาก็ดับอวิชาดับตัณหาก็ดับบุปาลทานก็ดับอิเลที่มีชื่อต่างๆ่ก็ดับไป กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ผู้เห็นอยู่นี่ก็แสดงถึงสภาพจิตของท่านที่เข้าถึงนิ่ผานที่แปลว่าผู้รู้เห็นธรรรู้เห็นบางทีก็เรียกคํารู้คําเดียวก็ได้เห็นคําเดียวก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้ใช้คำว่าญาณทัศนะ์ญาณก็คือรู้ทัศนะก็คือเห็น แต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาเป็นการเห็นด้วยจักษุอีก4จักษุพระพุทธเจ้ามีห้าจักษุจึมีตาห้าตามีมังสะจักษุก็อย่างที่เรามีกันอยูตานเนือ้อแะเดี๋ยวมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงพะจนพัรษาแปดสิบแล้วพระเนตรก็ยังแจ่มใสชัดเจนมองอะไรก็ยังชัดเจน เหมือนตอนที่ยังทรงพระเยาอยู่แล้วปัญญาจักสุจะกสุคือปัญญาพุทธจักสุจะกสุของพระพุทธเจ้าที่ไปจักสุตาชิบและสมันตจักสุคือการจักสรู้คือตัวสัพพนิยตยาในในการจักสรุนี้ที่จริงก็เป็นปัญญาเครื่องจักสรู้ด้วยกันแต่เป็นการเรียกฐานกันคนละกรณี คล้ายๆกับเนี่ยทิประจักรสูเนี่ยคือบางครั้งก็เรียกว่าจู่ๆว่าฝ่านปรญยาปัญญาที่ยังรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายพม่ า, มาจะเกตดอะไรทพม่าคนนั้นเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างอย่างนั้นมีความรู้อย่างนั้นมีหน้าตาอย่างนั้นมีสกุลอย่างนั้นเนี่ยมันจําแนกได้หมด เพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมกรรมก็สืบเนื่องมาจากกิเลสหรือธรรมะนะฮะต่แล้วแต่จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เพราะกรรมมันก็มี2กลุ่มฮะสองกลุ่ ม, มใหญ่ๆคือกุศลแกรรมกับอกุศลกรรมเพราะงั้นพวกอกิเลสที่เป็นเครื่องกังวลที่ทรงใช้คำว่า ความกังวลกิเลสเป็นเครื่อนกังวลกิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุความกังวลมันเป็นอาการของกิเลสหมายความถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็มีไม่ไ ม, ไมีไม่มีความกังวลแต่ที่เราตองกังวลก็แสดงเรามีกิเลสเพรกิเลสเครื่องกังวลจึงเน้นไปที่ตัณหามานนัดที่มีข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นก็มีนะฮะให้เราสังเกตว่าเรารู้สึกว่าของเราเท่าไหรนะ่เนี่ย ความกังวลเราจะมากขึ้นเท่านั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีความกังวลมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็รู้สึกตัวตนมีอัตตายิ่งเครืองเท่าไหร่เนี่ยยิ่งยิงกังวลเท่านั้นทีนี้ถ้าท่านทีเข้าถึงนิพพานเนี่ยท่านาไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุใ้กังวลเพราะมันเป็นการประพฤติที่เบา อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในปา่าในเขาในถ้ำเดินคนเดียวไม่มีความกังวลอะไรเขาเรียก ว, ว่าไม่มีอาการสะดุง้งในหมู่คนที่สะดุ้งทั้งหลายนี่ก็เป็นเป็นนัยหนึ่งเปความหมายหนึ่งว่าตราบใดที่ท่านรู้เห็นอยู่อย่างเนี้ยกิเลสเพื่อนกังวลไม่มีก็ที่จริง กิเลสเพื่อนรงวนเนี่ยมันก็ดับไปตั้งแต่ต้นแต่ว่าเป็นการแสดงในรูปอะไรละ่ะในรูปของอลรหังคําว่าอัลรหังที่แปลว่าไกลความหมายว่าไกลคือว่าก็คงกระทบอารมณ์มาแหละผงเห็นรูปความเสื่อมลกลิ่นนิมรด ถ, ถูกต้องยินนอนอ่อแข็งอยู่กับตามธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากกิเลสเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายเนี่ยอารมณ์นั้นไม่มี ความกังวลจริงไม่มีมาตั้งแต่ต้นเป็นความต่อเนื่องน ะ, ะปัญญาเกิดขึ้นในวิชาดับไปแล้วใจก็จะบริสุทธิ์จากกิเลสมีชื่ออย่างไรก็ได้พระไทยจะมองโลกด้วยความกรุณาอย่างที่เราสวดสรนเสริญ พ, พ, พ, พระพุทธคุณขอพุทโธสุสุโธกรุณาอนุโว ที่เป็นการเกิดตามลำดับของพระพุทธคุณข้อต่อไปเนี่ยได้แสดงไว้ในที่อบอกว่าทำเหล่านี้ทำทั้งหลายเนี่ยมั น, ม, นมันเป็นสังคตรธรรมคือปฏิปจตยปรุงแต่งกรงนี้แต่วันนี้ผ่านนั้นมันเป็นสังคตธาต ก็มีความเป็นคู่ปรับอสภาวธรรมคือหมายความว่าในความเป็นอสังกตจธาตุเนี่ยมันไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีการเกิดเหมือนอย่างเมื่อทุกข์มีอยู่เนี่ยแม้สุขที่เป็นคู่ปรับกับทุกข์นั้นก็มีอยู่เหมือนกันันาดไหนแต่มันไม่ปรากฏนะฮะหรือความร้อนมีอยู่ความหนาวก็มีอยู่ เมื่อบาปธรรมมีอยู่แม้กัลยาณธรรมก็มีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ปรากฏในขณะเดียวกันเท่านั้นค้ากันในขณะที่แสงสว่างปรากฏอยู่เนี่ยความมืดก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าแสงสว่างมันอยู่ก็เลยความมืดก็ปรากฏตัวไม่ได้ดังนั้นพอมาเข้าถึงอสังคต ธ, ธรรม รือเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันก็กลายเป็นความดับอย่างสนิทในข้อนี้ท่านอะธิบายถึงสภาพสภาพวิเทียบเคียงแลวในความเป็นโลกนะในความเป็นโลกเนี่ยโดยเจนว่าเมื่อเมื่อเป็นโลกเราก็สัมผัสอสังกตธรรม น, นอ่อนๆนะะแต่ว่าสังกตธรรมนี่นจะเยอะา เ่อนท่านยังอธิบายว่าเมื่อทุททกข์มี อ, อยู่เนี่ยชีวสุขก็มี อ, อยู่ชันใดนะเมื่อพบมี อ, อยู่เนี่ยวิภพคือสภาวะที่ปราศจากพบก็จำต้องปลาปรารถนาฉันนั้นหมายความว่าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยแล้วมันมันความทุกข์ที่สุดเมื่อจากการเป็ น, นี่มันจะเยอะให้เราสังเกตว่าเรารู้สึกเป็นเมื่อไหร่เนี่ยจะยุ่งขนา่นั้น รุงรังตามมาเป็นแถวเลยเรื่องบางเรื่องมันไม่ไม่คยเป็นเรื่องอะไรเท่าไหร่ให้ลองสังเกตว่าถ้าเราคิดว่าเราก็คือคนคนหนึ่งยิ่งดูก็ตอนธรรมดาไปไหนก็ธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องรห ร, ออ ร, ะอะรูหราฟุ่งเฟือยอะไรเท่าไหร่ือไปในที่บางแห่งเราเห็นว่ามันไม่ควรจาเป็นอะไรมากมายขนาดนั้น เยไปที่วัดแห่งหนึ่งเนะี่ยเปที่จริงเป็นวัดกรรมฐ า, านแล้วก็ไปครั้งเดียวนะฮะจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยไปเลยคือดูการขบฉันอะไรต่างๆว่าท่านมันครึ่งเขามันเยอะจริงๆไงรูหราด้วยกันมึงใช้กายกันในร่วในวังนะท่างไปนั่นก็แสดงอะไร ม, มันรู้สึกว่าตัวเองเป็นและให้ความต้องการแก่ความเป็นของตัวเอง จริงๆมันก็ธรรมดาธรรมดานจริงอิ่มเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าใจเราไม่ไม่ไปยึดติดในตรงนั้นดังนั้นพวกนี้ในแง่ของโลกิยธรรมเนี่ยเาจึงมีด้วยกันเมื่อความร้อนมีความเย็นก็มีชั้นใดแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่า ในช่วงหนึ่งเนี่ยสมสมับสามัญชนเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันมีลักษณะชักเยื่อชักเยื่อกันอยู่ระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยแม้บางครั้งบางคราวเราจะตัดสินใจทําทานจะตัดสินใจรักษาศีลจะตั้งตัดสินใจไว้พระสูตรมนุษยมันชักเยื่อกันอยู่ทําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ทําดีถ้าจดความคิดตรงนี้เอาไว้จะเห็นว่ามีเยอะที่เราแพ้ ประแภทกิเลสมีเยอะเพราะแสดงว่าพลังของธรรมะนั้นมีกลังอ่อนสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เพราะไรพระกิเลสเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาในรูปกัลยาณมิตรฉันเรียกอย่างหนึ่งว่าซับป่าไปว่าตัญหาผู้กระสิใจจะมาในรูปกัลยาณมิตรจะต้องการไหวพระสุดมนม่เป็นไรหรอกยกมือไหวแค่ดี้ พ, พอ ไม่ต้องสวดหรอกเหนื่อยตันก่อนสวดแล้วแล้วบางทีนอนสวดก็ได้นั่งสมาธิไม่เป็นไรหรอกนั่งนอนก็ได้อะไรแต่ไรเนี่ยจต่อรองไปเรื่อยผลสุดท้ายไม่ต้องทำหรือเขาจะมากระสิบไก่ในรูปมิตรแ้วเราก็หลงทางลักษณะยอย่างเนี้ยยันที่เคยยกตัวอย่างว่าประชาชนที่มาเฝ้าพระทีปังกรพพุทธเจ้าเนี่ย มาด้จตนาจะฟังธรรมนะฮะจากพระพุทธเจ้าสมงบรรณาธรรปังกอนเตรียมเนะื้อเตรียมตัวกันใหญ่โตเลยแต่พอพร ะ, ประีปังกรทรงทํานายว่าทรงแสดงนะจริงก็ไม่ใช่ทานายว่าสมัยตระดาบดนั้นจักเป็นพระสมนาคโคดมคือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการคนเหล่านั้นกลัวก็ไปหาพระโพธิสัตว์เนี่ย ขอเกิดไปพบศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยเสียเวลาตั้ง 4, สี่แสนน่สงไข่กับกรรมแสนกันนั่นคืออะไรคือมามันทําให้หลงทางมือาคล้ายๆกับมิตรเมาคล้ายกับมิตรจะพบศาสนาพระพุทธเจา้าก็พบแล้วอะทำไมไม่ทำมาเออก็พบพระพุทธเจา้าแล้วพบประธรรมแล้วพบประสงค์แล้วทําไมไม่ฟังธรรมทำไมไม่ปฏิบัติธรรม พระเจ้าก็ประทับอยู่ตรงนั้นแหละปฏิปังกรก็ประทับอยู่ตรงนั้นดันั้นคือใก่มนุษย์เมื่อจะมีการต่อสู้กันแล้วก็ชักกเยาะกันหมดทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อไฟสามกองมีพระนิพพานก็จําต้องปรารถนาฉชนนั้นเพราะอะไรเพราะไฟเนี่มันร้อนน่ะนิพพานเย็นที่ปัญหาว่าเราต้องการร้อนหรือต้องการเย็นเพราะ น, นก็ปรารถนาความเย็น แต่ก็อย่างว่านะคนส่วนใหญ่นั้นจะ เ, าเลาะฟังกันไปคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าถึงฟังคือปณิพานได้หมายความว่าคนที่จะไปสู่ปณิพานเนี่ยต้องมองเห็นโทษของไฟสามกองวันนี้เป็นการแสดงกับพระนะฮะไขธราคะโทสะโมหะแต่อย่าลืมว่ากิเลส ท, ทุกชนิดอะ่ะก็คือไฟได้แก่นะ พูดในกรณีของการเผาผลาญการทำลายล้างเพราะไฟเนี่ยมันมีคุณอันนันมีโทษมหันต์เพราะเราจึงพบว่าบางทีไฟในใช้ในกรณีของแสงสว่างที่ใช้ในกรณีของปัญญานะเช่นว่าปัญญาโลกาสนีปั โ, โตโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกหรือบางทีเผาลนั่นแหละ และก็ใช้ในกรณีความสามาเช่นอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผาเกิเลสให้ร้อนจะไใช้ในความหมายเผาทำลายกิเลสแต่ในที่นี้คือเผาทำลายความดีก็ให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ผู้ที่ถูกไฟกิเลสเผาล่นคนคนก็ต้องปรารถนาความสงบเย็นก็คือต้องปรารถนานิพาน ทีนี้ถ้าหากว่าโลกไม่มีกิเลสเนี่ยกนิพานก็จะจำเ็นแต่เพราะว่าโลกมีกิเลสคนจึงต้องหนีจากอนนานาจของกิเลสตอนนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อบาประธรรมมีกัลยาณธรรมก็มีชันใดบาประธรรมมันเผาร้อนกันลยาณธรรมมันทำให้เย็นพอระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยเราก็รู้บาปรธรรมมันอี เราก็จะเดินตามเราก็เข้าหาการยานธรรมนี่ก็อย่างอย่างสังคมเราเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเอาระดับเบญจศีลเบญจธรร ม, รรมหรือระดั บ, ก, บ, บกุศลกบฏเนี่ยจับหลักตรงนี้ได้ในความเป็นเบญจธรรมนั้นที่จริงถ้าเราเกิดได้สักข้อเนี่ยเมตตาธรรมตรงเงินข้าววัดศีลข้รรอที่หนึ่ง เป็นพัฒนาการทางจิตมาจากงดเว้นจากปาฏิบตัติแล้วก็มาจบที่ตัวเมตตาธรรมเป็นการพูดระดับทิฏนธรรมจัญญานะฮะแต่ถ้าพูดระดับสูงเกินไปกว่านั้นเขาเรียกว่ามีความเมตตาอินดูมีจิตคิดอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทรงใช้อย่างนั้นหมายความว่ามีเมตตากรุณาเป็นเรือนใจเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะ มีความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาในคนทั้งหลายคนที่มีทุกข์เราก็เกิดกรุณาก็มองเขาด้วยความการุณาแล้วก็ทีนี้ถ้าเมตตาเกิดได้ในอย่างอื่นก็นเกิดได้ข้ออื่นก็เกิดได้เพราะเมตตามันเริ่มที่เราเราก่อนสมาชีพก็เกิดมาจากเมตตาได้ การสรมมูลระวังเหการก็เกิดมาจากเมตตาได้พูดสัจจะก็เกิดมาจากเมตตาได้นะเราก็งดเว้นจะสิ่งเสพติดทั้งหลายคือมีสติสัมปชัญญะดีเนะี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเมตตาได้เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นปัจจัยของกันหาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรามองดูถึงสี่ห้าเนี่ยแล้วะเห็นว่าถ้าเรามีเมตตากับปัญญาหรือมีเมตตากับสติ รูก้กุศลกับบทศิษเนี่ยเรามีเมตตากับปัญญาอีกอีกแปดข้อเป็นต้องนับอะ่ะเรานับเฉพาะเมตตากับปัญญาพอเพื่อจะปัญญาข้อเดียวนะฮะปัญญาข้อเดียวแต่ว่าแน่นอนแหละเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยก็เมตตาเขาเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าเมื่อความเกิดมีความไม่เกิดก็จําต้องปรารถนาเพราะความเกิดมันเป็นทุกข์ โดยเจนว่าตอนพระโพธิสัตว์มองมองเทวทูตมันก็มองอย่างเงี้ยในโลกเนี้ยมีของที่เป็นคู่กันคือคู่ไปเป็นปฏิปักษกันมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขแก้มีกลางคืนมีกลางวันแก่ถ้ามีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดแก่นี่ก็เป็นปริยายหนึ่งว่าจากการมีสิ่งหนึ่งเนี่ยทําให้บุคคลไปคขว้้าอีกสิ่งหนึ่ง เพราะว่าสิ่งนั้นไม่เป็นที่ปรารถนามนไม่ปรารถนาใจมันก็ต้องไ ข, ขว่คว้าไปหาสิ่งที่ดีกว่านั้นแต่ถ้ามันมีอย่างเดียวนะฮะอย่างเดียวคนก็ไม่ต้องไปหลีกนีอะไรก็ไปอยู่กับสิ่งที่เช่นสมมติสมมติว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเป็นชีวิตนิรันดร์เราก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไร แต่ว่าเพราะโลกมันมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยหรือความจําเป็นที่จะต้องเกิดในสวรรค์ความจําเป็นเที่ยะต้องเกิดเป็นพรหมชาวความจําเป็นเที่ยะต้องพัฒนาจิตขึ้นไปเพื่อหลุดพ้นไปจากอํนนานาจของความเกิดแก่จะตายถ้าโลกไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันก็ไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมะ หรือแม่แต่ว่าต้องมีพระพุทธเจ้านะเพราะโลกมันมีแก่มีเจ็บมีตายมีเกิดแก่จะตายโลกจริงจําเป็นที่อะไรละ่ะถ้าสมควรคิดกเรียกว่าผู้ช่วยให้รอดแต่รอดก็ไปเกิดต่อนะแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารอดแล้วก็ไม่ต้องเกิดหรือพ้นไปจากความเกิดพ้นไปจากความแก่พ้นไปจากความเจ็บพ้นจากความตายเพราะว่า ไม่ได้มีอะไรให้แก่ให้เจ็บให้ตายพระนิพพานจึงเป็นธรรมะระดับหนึ่งให้ลองสังเกตว่ากิเลส ท, ทุกข้อที่สรงยกมาระดับหนึ่งเราก็ท่านทานได้แต่ทำยังไงว่าให้ท่นานทานได้มากขึ้นเพราะมองไปข้างหน้าเนี่ยชีวิตเราใกล้าตายกันไปทุกวันพายุมากกิเลสมากนแย่นะขาดทุน อายุมากกิเลสมากไม่ขาดทุนอายุมากกิเลสน้อยแสดงวัฏธรรมะมากอ้นี่คือคุณค่าจริงๆของชีวิตทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราต้องทอดทิ้งไปมันเป็นคุณค่าเฉียมไม่ใช่คุณค่าแท้คุณค่าแท้ในระดับสังสารวัฏหรือแม่แต่หลุดพ้นก็าตามนะก็คือกุศลธรรมทัางหลาย ที่บุคคลน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้วก็สัมผัสผลเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความยืดเย็นในระดับต่างๆตามกำลังความสามารถนั้นก็ชื่อว่าได้ดําเนินชีวิตใกล้เข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไป ผลการแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจศีขาในความไม่ประมาทในการปฏิบัติสมาธิในการปฏิทินฐานอะไรแต่อะไรต่างๆนี่คือสรุปกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งปวงนั้นเป็นทางดาเนินไปสู่พระนิพพานไปไดใกล้หรือไปได้ไกลก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกุศลเราสามารถ สร้างสรรพัฒนาให้บังเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบดูได้ว่าเออเราก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมีขันติเพิ่มขึ้นมีเมตตาเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีกุณาเพิ่มขึ้นมีทิษยาลดลงมีความเบียดเบียนลดลงมีความโกรธลดลงคือเห็นต้องเห็นเพิ่มแล้วก็ต้องต้องเห็นลดนะฮะมันเหมือนกับเราเห็นความอิ่มเนี่ยเราต้องไม่เห็นความหิวเราต้องเห็นความหิวหายไปด้วย เห็นการหายไปของความหิวในขณะที่เราเห็นความอิ่มแต่ถ้าหิวยังอยู่ก็แสดงไม่อิ่มผลธรมรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนี้เมื่อกิเลสยังรุนแรงอยู่ก็แสดงว่าพลังแห่งธรรมะภายในใจเราก็น้อยไม่พอที่จะคุ้มครองรักษาใจชีวิตมันก็อยู่ใน ช่วงที่เสี่ยงาอาจจะถูกเหนียวไปไหนก็ได้ถูกดึงไปไหนก็ได้พระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาทเอาไว้ในที่ทิกสถานทูกความเป็นเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลา ย, ดยโดยทษกันสวัสดี